121. ผู้ไม่ฝึกฝนดับฝันเพราะไม่ตื่นขึ้นมาฝึกภายนอกดังนั้นผู้ยิ่งมัวไปมัวหลงปฏิบัติอยู่กับภาวะที่หลงมุ่นในอดีตหรืออนาคตในภายในที่เป็นเพียงฝันเท่านั้นว่าเป็นความจริงที่จะปฏิบัติเกิดผลละธรรม ก็ยิ่งเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ตลอดกาลลนานเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นอัตมาและไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงความเป็นโลกเท่านี้แหละที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจงอะไรต่ออะไรได้หมดคนทุกคนที่ยังต้องสุกสุกทุกๆหมุนวนตายเกิดเกิดตาย อยู่ในวัฏสงสารไม่รู้สิ้นสุดก็เพราะไม่รู้แจ้งโลกและอัตตนี่เองและพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้คนจบกิจเรื่องเป็นธาตุโลกธาตุอัตตนี้แลคือโลกุตรธรรมเป็นคนโลกใหม่ที่อยู่ในโลกกับมวลมนุษยชาติเขาอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุข กับการกับอัตตาของคนในโลกแต่ท่านไม่เป็นทาาแล้วจริงแท้และไม่หลงสิทธ์หลงยึดเอามาเป็นตนเป็นของตนแล้วเด็ดขาดเพราะท่านไม่มีตนมีแต่เมตตาที่จะช่วยผู้คนที่หลงเมามมวอยู่กับโลกและอัตตาคนที่ยังอวิชชาจึงอยู่กับฝันการทั้งนั้น ไม่ศึกษาให้บริบูรณ์ด้วยความจริงที่มีทั้งสมมุติสัจจะในปัจจุบันแล้วกาจัดอนุสัยให้หมดไปกับภูมิปรมัตัศนสัจจะในปัจจุบันนั่นคือฝึกฝนดับฝันซึ่งต้องฝึกกันในขณะมีภายนอกและเป็นปัจจุบัน